โดวยวิธีการทำสติกำนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสากคนเมื่อเราพยายามฝึกหัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติ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 เมื่อหากเราสามารถฝึกขาดจนคล่องตัวไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำได้ที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนันการปฏิบัติก็รู้สึกจะเริ่มเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลัก ปฏิบัติสมาธิโดยทั่วทั่วไปเพียงแต่เราทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิรับตาภาวนากันที่ไหนไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐ า, านเจ็ดวันสิบห้าวัน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 มีสติถามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิเส่งประกอบด้วยองค์มีวิสุวิจาร์ปีสีสุขเอกะขตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง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 กว่าจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปสิ่พาะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาคล้องอยู่เมื่อเป็นเทนน้นเราหัดทำสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่าง มีมีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดคืนยังลุง่งบางทีสิ่งใดที่ยังข้องใจอยู่เขาจะเหนียวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปค้นคิดทิจรารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อข้องใจตกไป ในสมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทาสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสง บ, สงบถ้าแถมยังมีปีติแลความสุขความสงบภายในสมาธินั้นด้วย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 ดังนั้นจึงขอถือโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดคือนอย่างลุงจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละกลาวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่โปรยรวมพร้อมมีพลังไม่เสมอกัน จิตก็จะยังไม่สงบแม่สงบก็ยังไม่เกิด ส, ญญาสมาธิปัญญาศียนสมาธิปัญญาประจุมพร้อมกันขนาดจิตใจขนาดจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตรมสมาธิ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 สัทธาวิรยาสติสมาธิปัญญาเป็นพละหา้าแล้วก็เป็นอินสีเมื่อเราเพียงจเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็คือบอคลานไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความเชื่อมัน่น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 เมื่อเรามีศรัทธาิริยัตสตสิสมาธิสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาเ็คือตัวตัสติที่รู้รอบคอบอยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ที่กายวาจาในใจสติสัมปชัญญะที่สามารถตามทานรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาผู้ิทอยูทุกลมหายใจนั่นเอง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 เหกก็สามารถที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกาหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสติสัมพัญธ์ญาตสมาธิมั่นคงปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลา เกิดอเนจ่าสัญญาขึ้นมาก็มีความสําคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดจากอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามากนอบหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดจากอยู่ทุกเวลาได้แล้ว ความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นคงสติก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณอยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความคิดจิตจะมีอยู่จะอยู่ในสภาพปกติไม่วันไหวเปลี่ยนแปลงด้วยเอ็นเอียงกับความคิดนั้นแต่ถ้าขณะจิตใจโมหะเขา้เขาครอบงำจิตจะเยอดความคิดนั้นทันที เมื่อเจิตของเรามายึดความเจิตนั้นความปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อมบกงเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดีนั่นความมัจหากําลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นมีภวะมัจหากําลังจะเล่นงานเราเรามเื่อไปยึดทั้งสองอย่นางภวะมัจหากําลังจะเล่นงานเราแล้ว เมื่อเราโลว่าตามตันหาพราะวสันหาวิพระวะันหามีเต็มอยู่ในจิตเมือ่อจิตไม่สามารถที่จะขับตันหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกจะไม่เกิดจาไม่มีเมื่อทุกอาศัยตันหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติ แม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขเป็นสุขเพราะอาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสัญลักษณ์แห่งทุกข์สัตว์จะบังเกิดขึ้นในจิตเพราะพุกข์สุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทาจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปรากฏ ข, ขึ้นมาอีก ในเมื่อทุกปลาโผล่ขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกําหนดรู้ตัวทุกข์สัตว์ในขณะนั้นทางสุขทางทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทุกอริยสัตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสรูปเมื่อทุกโศกปลาโผล่ขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือผลทึ่งเกิดขึ้น บางทีก็สุขบางทีก็ทุกมีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตย่ำสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ทุกข์ขนาดจิตพอเป็นว่าจิตของเรารู้พัตไต ร, รับอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ตาโวดขึ้นในจิตเราจะทําอย่างไร ทังโ้ปณิดังดูขัางอริยสัจจังปริเด็นใยยันติเมพิพาเวโน่อนเทศโตทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะเพิ่งทำสติกำนดรู้แล้วพระธองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกนะท่านให้ทำสติกำนดรู้รู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับปณีมันเป็นทุกข์จริงๆ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 เมื่อทุกภริยาศาสตร์ปรากฏอย่างเด่นชัดจิตของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะฟันหาเหตุว่าทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าทุกตัวนี้มันเกิดมาจากตันหาสามคือการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหา ความาทันหาภาวะทันหาวิภาวะสันหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกลล้นยจในใจเราพระเจ้ารับสั่งถามพระ อ, อนณนว่า อ, อนุน สัญหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดับที่ไหนพระอานนทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาพระองค์ก็เทศนาว่าสัญหามันเกิดที่อายานะหกคือตาหูจมูกลล้นใยในใจในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามา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 ตัวสังขารจิตจึงไม่กรุงแต่งเมื่อตาเห็นโลกจิตไม่ยึดเพราะมีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกกลงว่าโลภนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกกลงว่าโูปนี้ขี้เลยเราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงกลิ่นรสสัมผัส ธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตอยู่ในสภาพปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็สัตยแต่ว่าสัมผัสรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปจิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมถ้าอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างสบาย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 กามาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาก็ไม่มีเมื่อกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาไม่มีจิตตรวงนี้ก็เป็นนิโรธาคือความดับดับอะไรดับอาการแห่งความยินดียินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหา เมื่อเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดยอมเกิดขึ้นที่จิตเราทำสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึนทุกทีทุกทีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจรารณาธรรม ของผู้ปฏิบัติธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะเพิงเกิดจากการทมสมาธิด้วยการกำหนดจิตตามรูการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นๆเราอาจจะใช้สติคือตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่าก้าวหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอ แต่เมื่อเราฝึกจนทำนิทำนานแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่ทจิตทมสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายกข้าไปจิตจะรู้ทำไหมเพราะจิตเป็นผู้สั่งนี่วเวลาหยุดยืนจิตเวลาหยุดยืนจิตย่อมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่ง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 ทำได้สำเร็จหมดแต่ถ้าหากว่ากายกับจิตยแยกออกจากกันเมื่อไรหมดท่ากายก็หลังแต่จะเน่าเปื่อยผูพังไปตามธรรมชาติของกายส่วนจิตก็จะจุติจากร่างไปเที่ยวสแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแทจะบุญกรรมในขณะที่จิตจิญญาณออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เท่านั้น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 อย่าไปมัวใจจะไปมุ่งที่จะรู้โลกตาโลกอื่นรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเทวดาเขาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองแดงในหม้อนรกมาชาระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เหน็นพระเห็นเราพร้อมท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้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 พุโทโธธรรมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กำหนดรู้เป็นแต่เพียงสื่อนาจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความงสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาเมื่อเรามีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วคำว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือสิ่งที่กำหนดเหล่านั้นไม่มีความหมายเรามากำหนดหมายเฉพาะแต่สิ่งที่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 วิจารปีติสุกเอกะขะต า, าที่สดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งู้อยู่ที่จิตหรือู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม่จะดำเนินไปสักวเท่าไรก็ตามจะเจอแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจาย์ตนะ ในมรจิตลอยแป้งฟางอยู่ในถ้ากลางนภาอากาศอันอ้างวาง้างเจตก็จะควานหาที่เจตคือไปเจตวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจาเตนะมารู้ว่ามีวิญญาณกําหนดหมายสัญญาสัญญาอันละเอียดก็ไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงอาจินจัญญายจตนะในวสัญญาณาสัญญายจตนะ จะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นทานคันนี้ท่านจึงเรียกว่าในวสัญญานาสัญญาเจตนะถ้าใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการบำเพ็ญทานแบบลือีเป็นลูกสิทธิ์ของพวกลือศีทีาพามในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเปิด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 การเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาเป็นกีฬาของพระอริยเจ้าเวลาท่านอยู่ว้างๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเช่นพระมหากัตสปะเข้าฌานถึงสิบห้าวันอะไรทำนองนี้อันนั้นเป็นฌานสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬากีฬาเครื่องเล่นของท่าน แต่ผู้ที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องธรรมสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานที่เจ็ดรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรม ดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติแปดแต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักนูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นทานสี่เลเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรูปล่าผุดผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลง แต่มีความเปลี่ยนแปลงยัใ้ใจอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยัใ้ใจอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงจะรู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจง้งเห็นริงในลักษณะเช่นนั้น จิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตละเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติความรู้อันใดที่จิตสามารถรู้แล้วบัญญัติเื่อสิ่งนั้นได้อยู่ความรู้อันนั้นยังไม่ใช่สัจธรรมถึงจะเป็นจริงแต่ก็ยังไม่ใช่สัจธรรม ถึงเป็นสัตยธรรมก็ยังไม่เป็นอุบายที่ให้จิตปล่อยวางกิเลสราคา้าตัณหาได้แต่ถ้าความรู้สิ่งใดซึ่งปรากฏอยู่เหนือโลกซึ่งเรียกว่าขันโลกุตตะจิตสัตร์เสว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นเจ้าจิตก็ตั้งเด่นอยู่เก็นทิทิธรรมสิ่งที่พังเข้ามาให้รู้แบบผู้ตังตัวความเป็นไปตามลักษณะของสภาวะธรรม ที่มีความเปลี่ยนแปลงยักษ์ใจอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าจิตก็รู้เฉยอยู่แต่เมื่อจิตออกมาจากสมาธิขั้นนี้แล้วพอสัมผัสว่ามีกายจิตสามารถที่จะอธิบายสิ่งรู้เห็นได้อย่างละเอียดแล้ออันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรมรมครหรือฌานในอริยมรรค ขออาศัยสิ่งซึ่งประกอบเป็นพลังงานคือพิตกวิจารณ์ปีติสุขเกิดขาึ้ดำเนินตามกฎเกณฑ์แห่งชานสี่เหมือนกันอันนี้ขอเสนอให้ท่านนักฟังท่าทั้งหลายนักปฏิบัติทรรมทั้งหลายได้รับไปไปพิจารณาเป็นการบ้านส่วนมากเราอาจจะเข้าใจกันแต่เพียงแค่ว่าสมาธิขั้นสมถะไม่มีอะไรไม่มีความรู้ ทำให้จิตใจผู้ภาวนาเกิดความโง่เงาเต่าตุนไม่สามารถติดจะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะคำอันนี้ก็ขอยกไว้ทัศนะของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ทัศนะของบางท่านที่ท่านสามารถรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิในท่านสมาธารืออัปปนาสมาธิที่มีความสงบถึงขนาดกายหายไปแล้ว นั่นแหละเป็นกลุ่มกําลังที่บรรลัยให้เกิดความรู้อย่างชัดเจนโลยอย่างละเอียดโลยอยู่เหนือโลกโลกเป็นอุบายที่จะให้เกิดละวางกิเลสตัณหามาณพิฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดสมาธิในขั้นสมถ า, าก็ดีขั้นวิปัสสนาก็ดีก็คือสมาธิอันเดียวนั่นแหละถ้าสมถะไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้ ถ้าสมาธิขั้นฐานไม่มีญาณก็ไม่มีเมื่อไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่เมีปัญญาก็ไม่มีวิปัสสนาจากคงอุธป า, ารีจิตกลางลงสู่ความสงบนิ่งสว่างโปรงขึ้นมาอย่านังอุธป า, าริาการกาหนดรู้โดยอัตโนมัติพร้อมอยู่ที่จิตกวงสงบ สัญญาอุดาปาดีความไหวตัวของจิตเกิดมีอาการความคิดนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดวิชาอุดปาทีวิชาความรู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นแล้ว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 รู้ความคิดอะไรให้ต่านรู้ให้ต่านเห็นมีแต่ความคิดของท่านที่เกิดดับเกิดดับอยูนั่นเดอย่างกิกิสมุทายธ ร, รมังสัมบันตังนิโรธาธรรมมันติคือตัวนี้เองเมอใครมีสติปัญญาสามารถกําหนดรู้ความเกิดดับแล้วรู้ได้อย่างชัดแจง้งแจมแจ้งชัดเจนรู้จริงเห็นจริงจิตเห็นด้วยกับความรู้ยอมรับสภาพความเป็นจริงหายสงสัยในพระธรรมวินยัย มีความรักตั้งมั่นในพระรตนารัยมีความเชื่อมั่นในพภารตนารัยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอาศัยสมรถภาพของตัวเองสามารถเยืนหยัดอยู่ในความเชื่อมัน่นในคุณพระพุทธรธรรมประสงค์เชื่อมั่นในตัวเองมีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาหายสงสัยในธรรมวินัยแล้ว โสดาปันโนไม่ใช่คู่ปัรูลถึงพระโสดาปันแล้วหรือขอท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาดู